ให้ราจักรสชาติลงไ ป, ไปเห็นแยกลงไ ป, ไปเห็นหล ง, ลงเห็นไม่หลงม<ง>ันต่างกันไหมระ<ป>หว่างความหลงระหว่างความไม่หลงเ<ง>ดินต้นไปนก้าวแรกไปอย่างนี้ล<ง>แล้วก็จะเห็นทางพบทางไป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 เทียบเทียบเรียกว่าเจนขี้วัดให้เราได้เลือกได้แล้วก็เลือกเดินได้อะไรมันผิดมันถูกนี่ก็คือข้อปฏิบัติเวลาม่สติมันก็เป็นตัวปฏิบัติเป็นตัวนั้นก็เกิดการเห็น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 ต้องผ่าต้องเอาหนองออกก็มีความเจ็บนิดหน่อยเหมือนคนติดเล่าติบุรีนั้นจะหยุดสูบมันก็ลำบากเิดหน่อยถ้าสูบมันก็ง่ายแต่ว่ามันเป็นผลร ะ, ระยะยาวถ้าสูบไปถ้าหยุดทวนกระเสสักหน่อยมันก็มันก็จะดีขึ้นหมดเชื่อ ไม่มีเชื่อไม่เพิ่มเชื่อเข้าไปก็สะดวกในภายหลังกำหนดรูดโดยการรูกกำหนดรูดโดยการแจกแกงกำหนดรูดเดยการละต่อไปก็ไม่ก็เจยเป็นไปเองเนี่ยกว่าสร้างกุศลให้มันแข็งขึ้นมาตรงที่มันอ่อนเอง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 ลอยกรมันลึกไห ก, ก็ลอยฉีดบนดินฉีดบนหินฉีดบนน้ำถ้าหลงเป็นหล ง, ลงเรียกว่าลอยฉีดบนหินถ้าหล ง, ลงเห็นมันหล ง, ลงเป็นรอยฉีดบนดินได้หลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงเป็นลอยฉีดบนน้ำอะไรไมันจะลบง่าย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 ทุกเป็นทุกเห็นมันทุกเป็นลอยเขียนบนดินทุกเห็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุกเป็นลอยเขียนบนน้ําลักษณะเดียวเรียกว่าปัจจยาปัจจยาสามอาการสิบสองมีสามอย่างสามอย่างนี้ในเวลาเดียวกันแต่มี ถ้าจะเป็นธรรมก็ <c oughs> ปุคคลที่ฐานทำ ม, มาที่ฐานหรือศาสนาพิธีศาสนาธรรมเอาอันศาสนาพิธีศาสนาวัตถมมุมาเป็นศาสนาธรรมนำมารวมกันศาสนาธรรมมาเป็นธรรม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 เห็นเขาปฏิบัตินั่งสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงเดินสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงโอ้ยลําบากบาอยู่เฉยเฉยก็ได้บรรลุธรรมก็<า>ไม่ต้องทําให้ยากขนาดนั้น<า>อย่าเอาจุดนั้นเป็นการมองาอาจจะเป็นการสนุกของผู้ปฏิบัติ<า>เป็นความขยันของผู้ปฏิบัติทุก<า> ข, ข า, าปฏิบัติทาหลงเป็นหล ง, ลงทุกข์เป็นทุกข์โกรธเป็นโกรธ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 เราจะทำยังไงจะอ่อนแอตรงนี้ไม่ได้ต้องเข้มแข็งสักหน่อยให้มันทันสมัยทุกคนเราทำอันนี้เดียวกันเนี่ยให้มันเห็นแบบนี้ถ้าหลุดตรงนี้ก็หลุดไปได้ง่ายๆมันจะไปทางไหนก็มีภาวะที่รู้มีภาวะที่หลง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 ที่ตั้งของการกระทํากําหนดขึ้นมาให้มันมีให้เป็นเจ้าเรือนเห็นยิ่งใหญ่เห็นไม่เป็นยิ่งใหญ่มาก่อนงาอยู่ในการกระทําก่อนสมมติเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นเหมือนเช่ก่อนไม่สติเช่นก่อนเห็นไม่เป็น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 ไม่มีสิทธิถ้าภาวะที่เป็นเนี่ยมันเล็กน้อยอ่อนเออเป็นการมจุกัน น, นิการโยกไปเห็นแล้วมันยิ่งใหญ่เห็นกายสัพพะกายยิ่งใหญ่มากมเห็นเวทนาสักพพะเวทนายิ่งใหญ่เห็นจิตที่มันคิดก็ยิ่งใหญ่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 อยากเต้นอยา ก, ยากมีเงินก็ไม่อยากทางานจะได้เงินมาโดยไม่ทำงานจะได้พิธีใดอาจจะปล้นเอาขี้เอาขโมยเอาตอนนั้นตัณหาไปบมันผิบหายวิภวตนณาตัณหาไม่อยากมีไม่มีไม่เป็นเนี่ยอาจจะไม่ใค่อยเป็นการแปลแบบ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 ก็มไม่ทุกข์ก็ตายไปหลงก็มไม่หลงก็ตายไปที่บ่าอาการเกิดดับของภพของชาติเบี่ยนไม่าตายเกิดเป็นมัตะส่งสารดานชื่นภพชื่นชาติมันจะชืช่นแบบไหนคือไม่หลงไม่ทุกข์ไม่โกรธไม่เห็นเห็นไม่เป็นเห็นไม่เป็น ไม่ใช่บิภาวะตัณหาบิภาวะตัณหามันปฏิเสธอยากได้กุศลคิดเองกุศลก็เปลี่ยนความหลงเป็นความไม่หลงเป็นกุศลไม่เคยเปลี่ยนอยากมีศีลอยากได้บุญมีพิธีทาเอาบุญคือใจดีบาปคือใจล้าย แต่เปลี่ยนความใจร้ายตรงที่มันล้ายมันดีขึ้นมานะพูดไม่ดีพูดดีๆเถอะคิดไม่ดีคิดดีใหม่คิดใหม่ทาไม่ดีทําใหม่อยากได้กุศลต้องทําแบบนี้ไม่ใช่ซื้อออกไม่ใช่คิดออกอยากเป็กุศลไม่แต่คิดคิดก็ต่างกันไปเอาความคิดเป็นการทะเลาะวาทกันก็เไม่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 ตดนึ่งบอกว่าผมว่ามันมีใบไม้มันจะเปลิวไม่ใช่ถ้ามีใบไม้ไม่มีลมมันก็ไม่เปลีวอะไรมันปลิวแน่นอนต้นหนึ่งบัวลมทําให้ใบไม้ปลิ่ยวรดนึ่งใบใบไม้ไมันปลีวก็เถียงกันเลยไปหาอาจารย์ว่าอะไรถูกอะไรผิด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 ถ้าเป็นตัณหาแบบโลคๆนะเพราะว่าตัณหาอยากมีลูกมีเมียก็ต้องขยันหมั่นเพียรทำตัวเป็นคนดีสร้างฐานะเราอยากมีเมียอยากไม่เฉยๆไม่ได้ไม่ได้ประกอบด้วยกรรมเครื่องกระทาหน้าที่มันก็จะผายได้วิภวตัณหามันจึงมันจึงเดือดร้อนไะอีกหลายอย่าง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 ไม่ใช่ไม่ใช่หลอค อ, อยปัจจตังเป็นปัจจัตังเป็นการเห็นเองรู้เองทำได้เองทำได้จริงๆแล้วนี่ไม่ใช่ทำไม่ได้มเืเถอะตัวหลงจะเกิดขึ้นแบบไหนจะเปลี่ยนเป็นไม่หลงได้ทุกโอกาส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 เหยียบมันย่อมหยีไปเลยให้มันแหลกไปเลยเนี่ยทำไมเราไปจองไปค่อยไปลกับเรื่องอย่างนี้เหเหยียบมันไปเลยเปลี่ยนไปเลยนี่ว่าจักทําทํำมาจักเกิดขึ้นแล้วกิ่งขึ้นแล้วหมุนไปแล้วตะหมุนไปทางไหนเลยเียบไปทางนัน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 ยอมละความพอใจก็สักว่าควา ม, ววามทำไม่ใช่สัตว์บุคคลตตัวเราเขาแข็งแก่งตัวน่นอยไปง่ายๆนะบกุกเบิกไปเรื่อยๆไปอาจใช่เวลาไม่นานนักเหมือนอุคติตันยูบุคคลดูดทมได้ง่ายๆถ้าไม่เปลี่ยนเลยก็เป็นเนยเยาะปลระพะ